พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30กรกฎาคม2556มีชื่อเรื่องว่าสแสวงหาเกี่ยนแท้ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ฟัง คณะชาติญาติโยมอย่างที่ได้ปารลบเปืองต้นว่าวันนี้เป็นวันแรกเป็นวันประถมเริกประ ม, มาเลิกที่พวกเรารักษาศีลอุโบสถหรือรักษาศีลห้าโดยความตั้งใจด้วยความตั้งสัจจะคือความจริงจังและจริงใจไว้แต่วันนี้ หลวงพ่อเองก็เคยได้พูดมายาวนานเรื่องทานเรื่องศีลบัางเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องปิญญาณสาบศูนตายศูนตายเกิดบุญบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริ ง, รรงแต่วันนี้ เพราะว่าว้นเป็นวันปฐมมาเลิกหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราคณะจตห า, าญาติโยมลูกหลานทุกคนมองไปหรือว่ากําหนดไปหรือว่าตั้งใจไว้ให้เรื่องภาวนาเพราะว่าเรื่องภาวนาเป็นหัวใจของหลักหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องทานเรื่องศีลอันนั้นเหมือนเปลือกเหมือนกับพีแต่เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของทางด้าน จ, จิตใจ ในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาคือภาวนาเนี่ยคือแก่นหรือว่าเป็นหัวใจที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพถ้าเราศึกษาให้ชัดแจ้งจริงจังจริงใจค้นคว้าดูวิเคราะห์ดูแล้วหลักของ พ, พุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าไปตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธนะิญาณที่โคลนต้นโพนะคือด้าน จ, จิตใจ คือด้านภาวนาหาความสุขเข้าสู่จิตใจหามรรคาผลจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนมาประกาศเผยแผ่กับพวกเราท่านทั้งหลายจนได้สำเร็จพระอริยบุคคลพระสดาศสักทาคาพระอนาคาภิรันต์การล้วนแล้วจะเป็นจิตภาวนาทั้งนั้นแต่ว่าต้นไม้จะปลูกแก่นทีเดียวคงไม่ได้จะต้องมี เม็ดแล้วก็มีปุ๋ยมีปลูกขึ้นมาก็มีเปลือกมีกระพี้มีแก่นในที่สุดนี่ก็เหมือนกันเราจะไปพูดแต่แก่นอย่างเดียวก็ไม่ได้จะไปพูดแต่เปลือกกระพี้อย่างเดียวก็ไม่น่าจะถู ก, กีกเหมือนกันเพราะเราต้องการแก่นต้องการพ้นทุกในวัฏฏะสงสารเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องท่าน มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการเป็นอยู่ด้วยกันแต่ล้วก็รักษาสินก็อยู่ในกฎระเบียบถ้าเราอยู่ด้วยกันหลายคนก็ต้องมีกฎระเบียบเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันการอยู่ด้วยกันถ้าคนไม่มีสินก็หาความสงบสุขไม่ได้อั น, นี้กือสินแต่เรื่องภาวนาจิตภาวนาคือเราต้องการจุดนี้จุดใหญ่เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะ เน้นเรื่องจิตภาวนาในพรรษานี่พวกเราควรจะมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในการประพฤติปฏิบัติเรว่าการภาวนาของเราอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราในยกเป็นตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวอย่างพระจักกุบาลท่านจำพรรษาพระภิกษุด้วยการไปอยู่ในป่าส0มสิบรท่านก็บอกว่าดูก่อนพวก พวกเราทั้งหลายต่องน้องทั้งหลายพวกเราเกิดมาในโลกนอนจมนอนใจอยู่ในโลกวัะสงสารนี้เป็นอนันตการนานเท่านานไม่มีที่สิ้นสุดแต่บัดนี้พวกเราได้มาพบมาเจอพระพุทธเจ้าได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พวกเราก็ได้บวช ในศาสนาของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนี้แล้วพวกเราน่าจะสนใจใส่ใจพวกเราก็ไม่ควรจะเห็นแก่อยู่แก่กินแก่หลับแกนอนจนเกินไปเห็นแก่ด้านวัตถุจนเกินไปนผมเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเร่งความภาคเพียรภาวนาในพรรษานี้เอาเถอะผมที่เป็นผู้ประกาศผมจะเอาอริยบทสามยืน เดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดในพรรษานอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถือเป็นตัวอย่างแต่ไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะแต่พวกเราจะควรจะมีการภาวนาสแสดงว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องภาวนาเป็นหัวใจจริงๆเพราะนั้นท่านจึงว่าท่านจาภาวนาอริยอริยบทสามยืนเดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดในพรรษาสามเรือด รู้สชพวกเราท่านบอกว่านอนจมนอนใจอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่นานเท่านานมาแล้วแต่ปัจนนี้จะงดจะหยุดในการนอนจะเร่งภาวนาอย่างเดียว น, ะนี่แหละอันนี้ก็คืออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นพวกเรา24ชั่วโมงเนะี่ยพวกเราจะนั่งภาวนา1ชั่วโมงได้ไหมหรือ 2ี่ชั่วโมงส0มสิบนาทีได้ไหมสามสิบนาทียี่สิบนาทีสิบนาทีได้ไหมเพราะเราต้องการแก่นเราก็พยายามปลูกหรือแสวงหาแก่นคือหลักธรรมเข้าสู่จิตใจนี่แหละอยากจะให้พวกเรานั่งสมาธิทีนี้พิธีการนั่งไม่ยากเราจะนั่งที่ไหนก็ได้ แต่อยู่ในมุมสงบนะการนั่งสมาธิต้องอยู่นี่มุมสงบมุมสงบก็คือเวลาเราอยู่ในบ้านของเราถ้ามีเสียงเด็กเขากำลังกินข้าวอะไรเราจะไปนั่งภาวนาในช่วงนั้นไม่ได้เพราะอะไรมันไม่สงบจิตใจเราปุ้งฟุ้งอยู่ต้องให้อยู่ในความสงบลูกหลานเขาพักรอวัจุวิทยุโทรทัศน์ปิดไปก่อนในช่วงนั้น ขนาดโทรศัพท์ของตัวเองก็ยังปิดไว้อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่จะนั่งภาวนาเพราะมันจะเป็นเรื่องวิตกกังวลในจิตในใจเว้นเสียจะมีการจะโทรมาแล้วก็คอยเขาเามื่อคอยเขาแล้วก็ได้พูดเขาเรื่องว่าเขาไม่โทรมาอาพี่น้องลูกหลานเก็บไครได้ป่วยเขาจะโทรมาเอออันนั้นก็คอยๆแต่ไม่คอยแล้วก็ปิดแหละเออแล้วก็บอกใครต่อใครให้รู้ด้วยว่ า, าประมาณ สามทุ่มไปสี่ทุ่มนะในช่วงเนี้ยอย่าโทรมาเลยเราจะไหว้พระสวดมนต์หรือว่าเราจะทํากิจนั่งสมาธิของเราเราก็ว่าไปเลย่หละจากนั้นเราได้เวลาไหนแล้วก็ได้เวลาเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ใน ม, มุมสงบอย่างที่ว่าไม่มีกระทั่งวิทยุโทรทัศน์ในบ้านถ้าลูกหลานใครอยากจะฟังก็ให้เขาดีๆหรือว่าตัวเองก็เข้าไปห้องพระ หรือไปอยู่ในระเบียงข้างนอกที่กันยุงเอาไว้มุ้งขอบไปนั่งลงทุนซื้อมุ้งขอบก็ได้อยู่ในระเบียงแล้วก็เป็นนั่งภาวนาก่อนที่จะนั่งเราตอนเย็นเราก็ไหว้พระซสะก่อนเราเราเข้าไปห้องพระมีพระพุทธรลูกอยู่ในหฮ่้งอยู่ในบนบ้านของเราแล้วก็กราบพระ 阿拉หังสวากะโตสุปฏิปัโนนโมตัสสะพะพุทธังทำมังอย่างพวกเรารับศีลนพะพุทธังสระนังขจามิทำมังสังขังดูติยมปิดตาติยำปิดพุทธังทำมังสังขังสระนังขจามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็แผ่เมตตาแต่แผ่เมตตาเนี่ยต้องมีทุกวันนะแผ่เมตตาเราไม่ต้อง หรือเราจะอาหารสุขิโตโหมินิท โ, โหมิอเวโรโหมิก็ได้หรือสับเพสตาสดาหุนตุอเวลาสุขชีวิโนโเราจะพูดอย่างนี้ก่อนก็ได้แต่เมื่อพูดจบแล้วภาษาใจของเราต้องมีอีกนึกในใจว่าข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่น ทัวไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงใจทุกๆวิญญาณด้วยเทินฮะเอออันนี้กิจากนั้นก็กล่าวออกมาจากใจจริงๆนึกคํานี้ขึ้นมานึกออกมาจากใจจริงข้าพเจ้าจะไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในพื้นปฐพีนี่เพราะต่างคนก็ต่างมีกรรมของใครของเรา เขาเขามีกรรมของเขาเราก็มีกรรมของเรากรรมดีกรรมชั่วอยู่กับตัวของเรากับตัวของเขาทุกคนแบกกรรมดีกรรมชั่วของใครของเราอยู่แล้วเราจะเป็นขนาดเป็นฉัตว์ที่ฉันเป็นสัตว์นรกยังไปเกาะกัดอาฆาตพยาบาทจองเวียนอยู่ในอลกในกรงอีกอย่างนั้นเชี่ยวเหลือมันไม่น่าจะถูกน ะ, ะเราก็ให้อภัยทุกคนที่ผ่า น, า น, านมาแล้วก็คือผ่านไป เราก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองให้กับเขาเขาจะมาถือโทษโกรธเคืองอันนั้นกับุดแท้แต่ใจของเขาอแต่เราก็ไม่ได้สนใจเราก็ไม่ตอยล้ตอต่อเถียงไม่ต่อแยกับเขาอีกเราจะอยู่แบบเป็นธรรมอ่ะนี่แหละอันนี้ก็คือการแผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราเราก็เข้าไปในมุ้งการยุง่งในที่สงบส ง, งัดของเราจากนั้นก็นั่งกัดสมาธิ จะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งเหยียดขาก็ได้หรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้กระสุดแท้แต่จะ ต, ตามไม่จริงท่านให้นั่งขัดสมาธินั่นแนหะคือจริงจังและจริงใจถ้าว่าเราไม่ขาของเราไม่ผิดปกตินะเราก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเพราะการนั่งขัดสมาธินี่ทำให้ร่างกายของเราตรงไม่เอียงข้างซ้ายไม่เอียงข้างขวา ถ้าเรานั่งพับเพียบแล้วมันเอียงไปข้างหนึ่งอจะทําให้ไม่ถ้านั่งนานๆแล้วไม่สงบไม่ผาสุกเอเพราะฉะนั้นเรานั่งขัดสมาธินี่ร่างกายของเราตรงทรงอยู่ในลักษณะตรงในเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูเจ้ก่อนพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบ คือไหว้พระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราจากนั้นก็เอามือลงพอเอามือลงแล้วก็กาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทพุทธโทพุทธโทพุทธโธถ้ามันแว บ, บไปที่อื่นพยายามดึงกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานพุทธโธถ้าว่ามันเผลอมันหลับไปตั้งต้นใหม่ ลุกขึ้นมาใหม่บริกรรมนี่แหละอันนี้แหละคือวิธีการภาวนาแต่อันดับแรกๆใหม่ๆเราอาจจะตั้งนาฬิกาก็ได้เราจะนั่งหนึ่งชั่วโมงเราก็ตั้งดูนาฬิกาถ้าไม่ถึงชั่วโมงเราไม่ออกถ้าไม่ถึงสามสิบนาทีเราไม่ออกถ้าไม่ถึงยี่สิบนาทีเราไม่ออกจากสมาธินี่แหละเราทดลองหน่สิแต่ละคืนแต่ละวันอย่าได้ขาดวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ย เราจะพยายามนั่งภาวนาให้ได้หนึ่งชั่วโมงจากนั้นพุทโธพุทโธพุทโธแต่ถ้ามันเผลอไปก็ดึงกลับมาถ้ามันเผลอบ่อยๆแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสัมทับอยู่ที่ตัวโพรู้คือตัวนื้คิดให้พุทโธให้ถียิบอย่าให้มีช่องว่างในขณะที่เราภาวนาให้พุทโธพุทโธไม่ต้องกําหนดลมหายใจนะขณะที่พุทโธพุทโธพุทโธนะ แต่ถ้าว่าเราพุโทโธกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนึงชัวร์นึงแต่ถ้ามันยังออกอยู่นะเราพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้ถีไม่ต้องกําหนดลมหายใจเขาสัมทับอยู่ที่ตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนะให้อยู่จุดนั้นพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธอันนี้ก็คืออันนึงแต่ลูกพ่อเคยแนะนําอันนึงก็คือหายใจเข้าให้นับนับ หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับ2องสามสี่ห้าถึงถึงร้อถ้าไม่เผลอกลับมาอีกนับหนึ่งอีกถ้ามันเผลอมันเผลออย่างไรคือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับ2องสาี่ห้าหไปเรื่อยจนถึงร้อยถ้ามันเผลอมันจะหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่พวกเราให้สังเกตว่าหายใจเข้าหนึ่งสองหายใจเข้าเป็นเลขหนึ่งหายจ หายจะออกเป็นเลขสองหายจะเข้าเป็นสามหายจะออกเป็นสี่หายจะเข้าเป็นห้าหายจะออกเป็นหเป็นเป็นขี้คู่ขี้คู่แต่ถ้าพวกเรามันเผลอมันจะหายจะเข้าเป็นคู่หายจะออกเป็นขี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าสติของเราเนี่ยล้วนเลขนาดไหนมั่นคงขนาดไหนจิตใจของเราเนี่ยสติของเราตีขนาดไหนเราจะรู้ได้ในการนับตัวเลขนั้น แต่ถ้าว่าพวกเรานับไปแล้วหลงเอาลืมเอาหรืเอเมาลงเอาฮอย่าไปดีใจนะอย่าไปดีใจกับการหลงลืมของตนเองนั่นหละเป็นโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นโอกาสที่จะเป็นขาดสติเป็นบ้าเป็นบอได้ง่ายง่เหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจตั้งใจใหม่ให้เข้มแข็งบริกรรมให้มีสติอยู่กับตัวเองนี่แหละอันนี้ก็คือการภาวนาถ้าจะว่าไป มันไม่ยากนะง่ายนิดเดียวแต่บุญกุศลการนั่งภาวนานี่มหาศาลทีนี่เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่ารักษาศีลร้อยครั้งบริสุทธิ์ร้อยครั้งให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้ เออจนถึง บ, บริสุทธิ์หลุดพน้นนั้นไม่ต้องพูดถึงเพียงสงบเพราะนั้นแหละก็เป็นบุญกุศลมากมายมหาศาลเพราะนั้นพวกเราควรจะใส่ใจในเรื่องการภาวนาหลวงพ่ออยากจะเน้นในพรรษาอย่างที่ว่าเนี่ยสามเรือนเนี่ยให้พวกเราใส่ใจในการนั่งภาวนาอย่าได้ขาดตกบกพ้่องที่ตั้งจัดจักคือความจริงจังและจริงใจถ้าวันไหน ถ้ามีธุระหมูพวกเพื่อนหรือว่ามีกิจธุระการงานวันรุ่งคืนเราจะเบิ้ลสองเลยว่างั้นเถอะไอเมือมอม่อคืนเนี่ยมันขาดแต่วันนี้เราจะเอาทดแทนเมื่อคืนที่แล้วนี่งให้ทดแทนคืนนะไม่ใช่ว่ามันขาดไปแล้วก็ขาดไปไม่เอาเหมือนกับผ้าขาดขาดแล้วไม่ปะไม่ชุนไม่ได้มันผ้าขาดใครๆเห็นกับโบอย่างนั้นผ้าขาดกางเกงขาดถ้าเอา่าพวกเรา มันขาดแล้วกับปะชุนใ ห, ให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติบางคนนั่งภาวนาพอนั่งไปมันหายเ อ, อมันหายแต่รู้อยู่ว่ามันหายมันรู้ไม่หายไปไหนพยายามสื่อผาลมใหม่อีกบางคนนะมาถามหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี้ผมปฏิบัติมาเกือบสิบปีครับหลวงพ่อผมนั่งภาวนาจิตใจของผมก็สงบดีไม่ใหม่แต่พอมาช่วงหลังเนี่ย สองสามปีมาเนี่ยะผมนั่งภาวนาผมรู้จะตีิของผมก็ดีแต่ลมมันหายมันรู้มีแต่ลม ม, ม, ล ม, มันมีแต่ตัวผู้รู้เนี่ยมันลมผมก็หาหาลมอีกพอหาลมขึ้นมาพอรู้ลมขึ้นมากว่าจะหาลมได้โอ้ใช้เวลาพอสมควรฟื้นขึ้นมาอีกก็เห็นเห็นลมมันก็เพียงแค่นี้บางทีก็นั่งไปกรหายเองและจะให้ผมทำยังไงฮะอันนี้ก็คือนักปฏิบัติทั้งหลายเคยมี จนมาได้มาถามหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อก็แนะนําว่าเออนี่วิธีการนั่งภาวนาบางคนพอกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหาย ใ, เ, าายใอเออกพอในมันลมมันเออหลีลงหลีลงหลีลงหลีลงหมดลมฮะ เ, เพราะว่ามันปติเนี่ยมันอยู่มันอยู่กับตัวเองเนะมันหมดมันหมดลมหายใจ หาไม่เจอลมก็ตกใจพอตกใจขึ้นมาก็หาลมมันก็หยาบขึ้นมาอีกเพราะนั้นอย่าตามหาลมนะทีนีนะเน้เวลากำหนดลมหายใจเข้าหายออกพุโทโธพุโทโธพุโทพโธถ้าลมหมดไม่ต้องตามลมให้ดูตัวผู้รู้ทีนี้ตัวผู้รู้นะคือใครใครรู้ว่าลมหายใครรู้ว่าลมหมดนี่แหละให้ย้อน กลับมาหาตัวผู้รู้นี่แหละเ่นีอไม่ต้องตามลมนะถ้าตามลมมันจะหยาบอีกนะให้ตาให้กลับมาหาตัวผู้รู้พอกลับมาหาตัวผู้รู้นั่นแหละเถ่นี่เป็นยังไงต่อไปนั่นให้อยู่กับตัวผู้รู้เลยเี่ให้มีสติอยู่กับตัวผู้รู้ตลอดอย่าให้เผลอให้จับอยู่ตัวเนี้ยจับอยู่ตัวผู้รู้รู้รู้รู้อยู่เนี่ยเนี่ยนี่แหละต่อไปนั้นหลวงพ่อจะไม่อธิบายเพราะนั้นพวกท่านจะรู้เองเห็นเอง ในจุดนั้นทามันผ่านจุดนั้นไปแล้วยังค่อยมาพูดกันอีกนะเนี่ยลุงพ่อก็บอกอย่างนั้นอแต่บางคนก็บอกว่าเวลานั่งภาวนามันก็เหมือนกับใจของเราหรือวิญญาณของเรานะมีสองมันแทรกกันอยู่ตลอดมันแซงกันอยู่ตลอดแล้วจะทํำยังไงลุงพ่อโดยมากที่วิญญาณที่มันแทรกแซงออกไปนั้นโดยมากมันจะไปทางทางที่ประมาทคนอื่นดูถูกคนอื่นเออ ดูถูกกระทั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูถูกทั้งกระทั่งพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ดูถูกกระทั่งบุคคลที่เราไม่เคยเห็นก็ดูถูกเขาก่อนเลยฮะอย่างนั้นก็มีมันทาไมมันเป็นอย่างนั้นลุงพ่อว่านี่แหละใจประเภทหมาบ้ามันเป็นอย่างนั้นแหละมันกัดดะไปหมดฮะเพราะตัวเองไงขาดสติฮล้างไม่อยู่เพราะฉะนั้นพวกเรานะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นอ่ะเอมันเป็นทาง มนโนมนโนกรรมเป็นเป็นทางบาปทางใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราประมาทผู้ใดเราก็ถามตัวเองย้อนมาหาตัวหมาบ้าดูสิให้มีสตินะ่ยย้อนมาหาตัวหมาบ้านะย้อนมาหาใจเอ้ยใจหมาบา้าเธอไปมาประมาทพระพุทธเจ้านะ่ะเธอมีดีอะไรเธอจึงประมาท พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นสยัมภูรู้แจ้งโลกสอนคนต่อคนทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินให้เป็นคนดีแต่แกเนะี่ยสอนใครได้บ้างขนาดสอนตัวเองยังไม่ได้สอนผู้อยู่รอบข้างยังไม่ได้เขาจะด่าหัวเอาอีกทำไมมันน่างโง่นักใจประเภทอย่างนี้พยายามสอนตนเองหลายครั้งต่อหลายหนแต่ต่อไปมีสติสัมปชัญญะึ้นมาลําลึกถึงให้ระลึกถึง เมื่อใจประเภทนั้นปลาหมาดใจดวงหนึ่งที่เป็นธรรมก็ให้ระลึกถึงบุญคุณเแทรกผลที่สุดเนี่ยใจที่มีพลังเหนือกว่าที่หมาบ้าน่ะเดี๋ยวหมาบ้านก็จะหายไปเองใจที่มีกิเลสนั้นแต่ถ้าว่าเราปล่อยะละเลยไม่ได้สนใจนะหมาหมาบ้าตอนนั้นมันจะกัดไปเรื่อยนะด่าไปเรื่อยไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกนะ เ, เพอ้อเพ้อเป็นบ้าได้ง่ายๆอีกเหมือนกันนะ่ะ พจน์นขอให้พวกเราทันทั้งหลายนะให้สังเกตตัวนี้อแต่บางคนก็บอกวเวลานั่งภาวนาเนะี่ยมันมันหลงไปได้ไ ง, ง่ายง่ายมันเผลอเอาอย่างไงเอเพราะมันไม่มีสติหลวงพอ่ออืพอนั่งภาวนาไปมันไปเห็นนิมิตจนเลื่อนลอย จ, จนตัวเองจะเป็นบ้าเอาไม่อยู่อีกเหมือนกันไม่รู้จะทํำยังไงหลวงพอ่อเออถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นตามที่จริงครูบาอาจารย์ท่านก็ พูดเป็นสองเหมือนกันนะพูดเป็นสองคือลงตามหาบววเอาเล่งเขาภาวนาเข้าไปสิให้มีสติแต่หลวงปู่จิงทองบอกว่าเอ้ยจุดซะก่อนจุดทับซะก่อนพักทับพักทับอย่าไปเล่งเพือกพักทับก่อนเพราะถ้าเล่งเข้าไปมันเล่งผิดเล่งถูกมันเปสะสปะมันเอาไมา่อยู่นะพักทับก่อนให้ภาวนาให้ไหวพระสวดมนต์ธรรมดาเอาเบาๆซะก่อน ให้สวดมนต์ธรรมดาแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วแท้ถ้าว่าผู้ที่ท่านจิตใจเข้มแข็งทำอย่างลุงตาพูดอันนั้นได้ผลได้ผลแบบแตกหักเลยได้ผลแต่ถ้าว่ามันแต่ทาไม่เข้มแข็งถึงอย่างลุงตาพูดเนี่ยถ้าทําเข้าไปเลยเย่งไปใหญ่ตะลิดเปิดเปิงตะเดินเปิลเปิดเสียงัต้องใช้แบบระบบลุงปู่ชิงทองลุงปู่ชิงทองว่าให้พักทับก่อนหยุดซะก่อนเอออันนี้คล้ายว่า ให้หยุดภาวนาให้พักผ่อนนอนซะก่อนอแต่มาถึงในใจของเราเราคิดไว้อยู่เสมอเราจะต้องภาวนาแต่ว่าอันเดียวนี้ขณะ น, นี้เราล้างไปก่อนเราให้สวดอิติปิโสไว้ก่อนอิติปิโสรพระกวารหังสัมมาสัมพุโทโธวิ ช, ชาจชนะสัมปโนสวาคัโตสุปฏิปัโนอถ้ามีลูกประคำเอาลูกประคำนับก็ได้จบหนึ่งจบสองจบสามจบสี่เอาถึงร้อยแปดจบนะ ให้อยู่กับอิทธิพิโสอันนี้ก็ได้อันนี้ก็คือระงับหลังจิตใจที่มันปุ่งฟุ้งออกไปจนเอาไม่อยู่ต้องให้อยู่กับการสวดมนต์การสวดอิทธิพิโสจากนั้นก็กาหนดลมหายใจเข้าออกพอมันอยู่เป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ให้กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพดโถจากนั้นเมื่อพิจารณาเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นก็ถอน ความจิตที่รวมสงบลงเป็นหนึ่งขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิจากนั้นกับพิจารณาเนละีนอต้องสอนให้พิจารณาพิจารณาคือวิปัสสนานะอันนี้คือสมัะ a ที่ทำจิตใจให้สงบนะั่นคือสมัทในเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วนำจิตใจที่มันสงบผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาทางวิปัสสนา คือใจส่งให้ใจคึกนึกคิดแต่ว่านึกคิดคำนี้กับปุ่งฟงซานไม่เหมือนกันนะมันคนละแนวกันเลยลหละถ้าจิตใจผ่านความสงบมาแล้วนะ่ะมาพิจารณาทางวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อแบง่ง ร่างกายของเราเป็นอาการ 32, เป็นส่วนส่วนทั้งตับทั้งปอดทั้งกระดูกจัดไว้เป็นกองๆองทั้งฝัดทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งเอ็นกระดูกผมขนเล็บฝันแยกเป็นคนละกองละกองละกองกั น, นึกทิพนึกดูซิว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงไหมเป็นอย่างที่เราคิดจริงไหม มันไม่เป็นอย่างอื่นมันจริงแท้แน่นอนเราจะคิดหรือไม่คิดเท่านั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงอันนี้ก็คือการพิจารณาทางวิปัสสน า, เ, าเมื่อเราพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตะล่อมเข้ามาหาสู่ความสงบให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละทีนี้เมื่อเราพิจารณาทางสมถะกรีวิปัสสนาเราจะไม่หลงโลกหลงทางทีนี้จิตใจของเรากได้รับความสงบ เราพิจารณาโลกของเราหลงอะไรมันหลงร่างกายพอหลงร่างกายมันหลงสิ่งอื่นไปหมดหลงราบหลงยศสงสารเสริญเยินยอทั้งหลายเพราะเหตุอะไรคิดว่าตัวเองจะอยู่ในโลกวัตะสุญสารนานนานเท่านานเป็นอนันตาการแต่มันไม่ใช่นะใจนะอีกสักวันหนึ่งมันทิ้งทั้งหมดนะเนี่ยเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้ว คณะก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจอีกใจของเราเป็นหลงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดความเบื่อหน่ายคลายปล่อยวางที่ใจนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามันมีหลายระดับอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กับคณะทศไทยญาติโยมพระเนนลูกหลานได้ยินได้ฟังแต่เรื่องวิปัสสนาในกว้างขวางมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงมากมายจะต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์จะต้องฟัง ที่องค์หลวงตาเทศนะพวกพวกเราให้ฟังกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจนถึงตีห้าให้วังให้ฟังวันละหนึ่งกันหลออวงตาจะอธิบายให้ฟังเรื่องวิปัสสนาออวิปัสสนึกวิปัสสนาการแยกส่วนแบ่งส่วนการให้ทันให้รู้ทันกิเลสภายในใจของเราหลวงตาจะชัดเจนมากถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษานะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุด้านนะในพรรษาเนี่ยอยากจะให้พวกเราเร่ง เ, เรื่องทานเรื่องศีลก็อีกส่วนหนึ่งแนหะเรื่องภาวนาเนี่ยนะหลวงพ่ออยากจะให้จุดนี้พรจุดนี้เป็นจุดหลักจริงๆริงถ้าว่าพวกเราไม่ได้ภาวนานี่ยมีแต่เรื่องทานเรื่องศีลเนเขาเป่าหูไปยังไงเขเควไปตามเนี่ยเขาพูดเรื่องเรีนคำเขาเห็นเกลียดเขาจนเอพอแรงแต่ตามไม่จะไปเกลียดเขาทํามเหมือนกับเราไปเกลียดไสเดือนอไปเกลียด ตัวปิงเไงไปเกียดตัวบุ้งไปเกียดทําไมถ้าไม่ง่จนเกินไปโลกวัฏสงสารมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้มันเกียดใจของตัวเองนั่น่ะฮะเบื่อหน่ายที่ใจของตัวเองปล่อยวางที่ใจของตัวเองนั่นแหะเลิศประเสริฐทไปห้ดเกียดทําไมสัตว์เหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่โง่จนเกินไปถ้าเราโง่จนเกินไปก็บอกอะไรให้เกียดก็เกียดไปตามเขานะ่ะโง่ทําไมฟังโง่จะว่าอะไร เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่าไปโง่อย่างนั้นจะพูดสรุปแล้วต้องใช้ความคิด ใ, ใช้ปัญญาสัตวโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะไม่ไม่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมันมีอยู่อแต่เราเนี่ยอย่าไปล่มไปหลงไปมัวไปเมอไปหลงอย่างนั้นไปโง่อย่างนั้นมันไม่ได้ต้องดูใจฮ ท่านรู้ใจตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของเราหลุดพน้นใครจะเป็นยังไงก็เป็นเทอะโลกกันเนเลยพระพุทธเจ้าท่านยอมอบายบายลาโลกก่อนแล้วอไปยืนอยู่ที่เมืองเวสาลีทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายฮใครก็ยืนทอดพระเนตรเออเราคงจะไม่มาเกิด เป็นอนันตาการชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราตถาคตแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนะพวกเราควรจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะหลวงพ่อว่านะ่ะเอเราจะไปเขาหวานเน้นคาจะไปโคดให้เน้นคำํำไปตีก็ตั้งคนอื่นได้ยินว่าโอ้ทําไมจึงขนาดนั้นว่าโลกวัตะสงสารนี่เอารับพร อ, อนุโมทนาให้พร